ตะวันแดงแดงใบแดงแดงลายใบพี่ได้มาบรรจงเรียงใส่กระเตาข้างาปลาเซปริมราโอตัวข่าเงินมากทีพอจะใช้คำเขาฟ้าตายแล้ว่าเงินไม่มีหาแทบตายมาอยู่ข้าง้ต้เสียทีแม่ฉันงงเป็นทีใครต้องจ่าทีไ อย่ามือบลเมย์น้อยมือบลปากบกบอยู่สองข้ากบบงก็บอลบอลน้มันบอนแมยน้อยมันบนอนรักกันนะไม่ทันขามันงชุนลมุนนัดกันนะอยู่ดีๆไปยืนรอก็ไม่เห็นมีสอรอยนัดดี เราได้ยืนคอยเธอไม่มาเธอไม่มาเธอไม่มาตาขอมรอยไปเืิดูเราจึงรู้ร้องร้ อ, งอยมีสาวน้อยตัวดีคอยใส่ไฟพี่คนปากบ่อ